วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส0บมิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริสันผู้ฝ่าธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อสัตว์โลกเป็นคำสั่งคำสอนที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะว่าเป็นคำสอนที่ทำให้สัตว์โลกนั้นได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ความทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ที่สัตว์โลกมีอยู่นี้ถ้าได้ศึกษาได้ยินได้ฟังคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด <c oughs> ก็จะสามารถ ทำให้ความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดสิ้นไปได้นี่คือความแตกต่างของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสั่งคำสอนที่มีอยู่ในโลกนี้คำสั่งคำสอนต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถนำเอาไปดับความทุกข์ทางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นคำสอนของศาสนาใดก็ตามหรือคำสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ตามเป็นคำสอนที่ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้นี่คือความแตกต่างระหว่างคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า กับคำสั่งคำสอนที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธศาสนาหรือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ดับความทุกข์ใจได้หมดแ่ะเป็นเป้าหมายของการศึกษาและของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งสอนให้เราร่ำรวยให้เราเป็นใหญ่เป็นโตให้เรามีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะชนิด ต, ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้่างแม้จะเป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่หุ้มห่อด้วยความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆยทธาบรรดาศัตริ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสโถดต่อพระชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นของไม่ดีก็ได้อยู่กับเราวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราก็ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้สัตว์โลกนั้นไปหาโลกธรรม มาให้ความสุขกับตนโลกธรรมทั้งสี่ประการก็คือราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพระชนิดต่างๆเพราะมันเป็นความสุขปลอนเป็นความสุขที่คุ้มหอด้วยความทุกข์เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาล ไม่ให้ไปอมยาขมกันยะที่เคลือบน้ําตาลมันหวานเพียงเดี๋ยวเดียวพอน้ําตาลละลายไปแล้วมันก็จะปรากฏลวของความขมขึ้นมาสิ่งต่างๆโลกธรรมทั้งสี่นี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราโลกธรรมทั้งสีน่นี้โดยธรรมชาติเขาเป็นของที่ไม่จีรังถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอน เรียกว่าอานิจจังมีการเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบได้มีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศได้มีการเจริญสรรเส ร, เริญรรก็มีการเจริญนินทาได้คมีความเจริญทางสุขของรูปเสียงกลิ่นรส ได้ก็มีความเสื่อมจากความสุขของรูปเสียงกลิ่นลดได้จากสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปจาก ส, รรสัรเสริญก็กลายเป็นนินทานี่คือธรรมชาติของโลกธรรมสี่ประการที่ผู้ที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จะลหลงไหลข้างใครคิดว่าเป็นความสุขกันจะพุ่งเป้าไปสู่การหาราบยศสารเสริญสุขกันแล้วก็จะต้องมาทุกข์กับราบยศสารเสริญสุกในยามที่เกิดความเสื่อมในราบยศสารเสริญสุขนั่นเองมันเป็นอนัตตาคือเป็นภาวะ ที่ไม่มีใครครวบคุมบังคับได้ไม่มีใครสั่งให้มีแต่ความเจริญในาะลาภยศสารเสรญสุขได้เพียงอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อมไปในไม่ให้มันเสื่อมได้เป็นภาวะที่มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเจริญและทำให้มันเสื่อม เวลาที่มันเสื่อมมันก็จะทำให้ผู้ที่ไปครอบครองไปใช้ให้ความสุขนั้นต้องทุกข์ทรมานจิตใจศาสนามีเป้าหมายในการดับความทุกข์ใจจึงไม่สอนให้ไปหาความเจริญในโลกของทางของโลกกะระรมทั้งสี่คือลาภยศสรรเสรญสุข พ็เหมือนกับการไปเข้ากองไฟกองไฟมองจากภายนอกก็อาจจะดูสวยงามมีแสงมีสีดูแล้วน่าเข้าไปเล่นกับไฟเหมือนกับแมงม้าแมงม่านี่ชอบแสงสว่างของไฟพอเห็นแสงสว่างแล้วก็อดที่จะบินเข้าไปในกองไฟไม่ได้ แต่พอเข้าไปในกองไฟก็จะต้องถูกความร้อนของไฟเผาไหม้ตายไปลาบยศเสรสนสุขคือโลกกระทำทั้งสีน่นี้ก็เป็นเหมือนกองทุกขเป็นกองทุกขเป็นเหมือนกองไฟเป็นกองทุกขที่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเข้าไปหามันแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องทุก กันอย่างแน่นอนเราก็คงได้ยินได้ข่าวข่าวเรื่องของความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกัน mm hmm. อยู่ทุกวันมีการหลอกลวงกันหลอกลวงให้ไปลงทุนไปทำอะไรกันเ mm hmm. พราะคิดว่าจะได้เงินกลับมาเป็นจำนวนมาก mm hmm. พอไปลงทุนแล้วก็ไม่ได้เงินคืน ทูนเสียไปเป็นแสนเป็นล้านกันก็พอเหมือนกับแมงเม้าเนี่ยแมงเมาที่เห็นแสงไฟแล้วอยากจะได้คนที่อยากจะได้ลาบคือเงินทองก็พอมีใครมาล่อว่าจะสามารถเอาเงินทองนี้มาให้กับเราได้มากมาย แต่เราต้องเอาเงินทองของเราไปให้เขาก่อน mm. แล้วพอเขาได้เงินทองแล้วไม่มีวันที่เราจะเอาเงินทองที่เราให้เขาไปได้ mm. Mm. เขาก็ท้าทายว่าถ้าอยากจะเอาคืนก็ไปฟ้องเรา mm. แต่บางทีกห็หาตัวไม่เจอแล้วดำดินหายไปแล้ว mm. เราไม่เคยเจอตัวเขาเลย ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่เพราะความโลภในลาบในราบในเงินในทองของเราอยากจะได้เงินทองแบบง่ายๆพอมีใครมีเสนอเงื่อนไขเราก็ยินดีปล่อยเงินของเราให้เขาไปอย่างง่ายดายนี่แหละคือคือความทุกข์<ม>ทุกข์กับการที่เราไปโลภอยากได้เงินทอง ถ้าเราไม่โลภอยากได้เงินทองเราทำมาหากินตามความรู้ตามความสามารถของเราได้มากได้น้อยเราก็ยินดีความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมากความทุกข์ที่จะเกิดจากการถูกเขาหลอกนี้ย่อมจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ยังต้องทุกข์อยู่เพราะเรื่องเงินทองนี้มันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ที่มีขึ้นมีลงช่วงที่มีโควิดนี่คนล่มละลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ก็มีมากมายมเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นช่วงขาลงไม่สามารถเปิดกิจการทำมาค้าขายได้เงินทองที่เคยไหลเข้ามาก็หยุดชะ ง, งักไปทันทีทันใด พอขาดเงินขาดทองก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา น, นี่ยกตัวอย่างของโลกธรรมำมันเป็นอย่างนี้<ม>เงินทองก็มีมีได้มีเสียยศก็ยศคือตำแหน่งต่างๆก็มีได้มีเสีย<ม>บางทีก็ได้บางทีก็เสีย<ม>ได้แล้วเดี๋ยวก็เสียก็มี ตำแหน่งต่างๆบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีคิดว่าจะได้กลับไม่ได้บางทีได้แล้วก็ถูกเขาตรวไปก็มีเวลาได้ก็ดีอกดีใจกันแต่เวลาเสียก็เสียอกเสียใจกันถ้าไม่ได้ไปอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่ง ความดีใจเสียใจก็จะไม่เกิด<ม>ถ้าเราเฉยๆกับยศกับตาแหน่ง<ม>อยู่เป็นคนธรรมดาสามัญนี้สบายใจกว่า<ม>เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียนั่นเอง<ม>ถ้ามีแล้วมันก็มีอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการเสียูญเสียเกิดขึ้นตามมามถ้าไม่มีมันก็ไม่มีการสูญเสีย<ม>ถ้าเราไม่มีลาบยศสรรเสริญ ไม่มีความสุขทางตาหูจมูนกนิ้วกายเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจตามมาความทุกข์ใจเกิดจากการสูญเสียลาบยศสรเสริญ ส, สุขไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนคือต้องการให้เราหลุดพ้นให้เราพ้นจากความทุกข์ แ้าการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้นี้เราต้องตีเลี้ยงการไปหาราบยศสารเสริญสุขมาให้ความสุขกับเราดังนั้นขอให้เราทาความเข้าใจว่าศาสนาพุทธนี้ความสอนที่แท้จริงนี้สอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการไม่ให้ไปแสวงหา ความสุขของโลกกระมำทั้งสี่คือลาบยศ เ, เสริญสุขแต่การปฏิบัติกันจริงๆนี้ก็มักจะคาดเคลื่อนกันญาติโยมก็มักจะเข้ามาวัดเพื่อมาขอพรกันขอให้พระอวยพรให้ได้ความสุขความเจริญในลาบยศ เ, เสริญสุขนั่นเอง ถ้าพระไม่ให้ก็ก็จะเป็นการขาดศรัท ธ, ธาพระก็เลยต้องให้ไป ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นการให้ความทุกข์กับศรัท ธ, ธาญาติโยมโดยที่ศรัท ธ, ธาญาติโยมคิดว่าเป็นการให้ความสุขอำนวยอวยพรขอให้สุขให้เจริญด้วยลาบยศสารเสริญสุขใช่มันเจริญได้ แต่ไม่ได้พูดอีกข้างหนึ่งว่าถ้าได้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเสื่อมมานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาได้มาในชีวิตของเรานี้วันหนึ่งเมื่อเราถึงเวลาที่ร่างกายของเราตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้นี้เราก็จะต้องทิ้งมันไว้หมดในโลกนี้ เราไม่สามารถที่จะเอาอะไรติดตัวไปกับเราได้<ม>เหล่านี้ก็คือใจหรือจิตจิตใจผู้รู้ผู้คิด<ม>ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจปัญ<ม>หาอยู่ที่ใจไปมีความอยาก อยากได้ความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาเรียกว่าอาวิชชาหรือโมหะความหล ง, งที่ไม่รู้ความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรไปรู้จักแต่ความสุขปลอม คือความสุขจากโลกระธรรมทั้งสี่ก็เลยต้องไปดิ้นรนไปวุ่นวายไปทุกข์กับการแสวงหาลาบยศยเสรรสุขแล้วก็ต้องทุกข์กับมันไปจนวันตายเพราะสิ่งใดที่เวลาที่เราอยากได้เราก็ต้อง ดิ้นลนหามันมาการดิ้นรนก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งต้องดิ้นรนหาเงินหาทองกันหายศถาตำแหน่งกันหาลังวีรางวัลต่างๆนักกีฬาก็ต้อง <Yeah. S 1> ทุกข์ทรมาน ก, กับการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อแข่งขันให้ได้รางวีรางวัลกัน <Yeah. S 1> เวลาที่อยากจะไปหาลูกเสียงกีดรถ ก็ต้องดิ้นลนกันไปหามีแต่ความทุกข์ในขณะที่กาลังหากันแล้วเวลาหามาได้แล้วก็ต้องมีกับความทุกข์กับการที่จะคอยดูแลรักษาให้สิ่งที่หามาได้นั้นอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วถ้าโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่าง ม, มันเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสูญเสียมีการสิ้นสุดลงพอเจอกับภาวะของการสูญเสียของการสิ้นสุดลง mm hmm. ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึง่ง mm hmm. นี่คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการไปสวงหาโลกธรรมทั้งสีคือลาบยศสารเสริญสุขเพราะไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นความทุกข์ พรขาดปัญญาความสามารถที่จะวิเคราะห์เห็นความทุกข์ของใจที่เกิดในแต่ละขั้นแต่ละตอนขั้นที่อยากได้พออยากจะได้ก็ต้องทุกข์แล้วทุกข์กับการที่จะต้องไปดิ้นรนแสวงหามาพอได้เรามาแล้วขั้นที่สองก็มาทุกข์กับการดูแลรักษาเพราะเวลาได้อะไรมาก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นของเรา ไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาจะต้องจากเราไปหรือเปลี่ยนไปแต่โดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนมันต้องจากกัน <S <S พอถึงขั้นที่สามถึงขั้นที่จะต้องพัดพากจากกันหรือถึงเวลาที่สิ่งที่ได้มามันเปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นของไม่ดีไปกลายเป็นของเสียไป ความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของความหลงที่เรียกว่าโมหะอวิชชาไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่โลกกระททั้งสี่อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผพิภัณฑ์ชนิดต่างๆไม่รู้ความจริงว่าความสุขนั้นที่แท้จริงอยู่ที่ไหน น า, นานจะมีคนที่เก่งที่มีความรู้ความสามารถอย่างพระพุทธเจ้านี้ที่ไปค้นพบกับความสุขที่แท้จริงขึ้นมาด้วยพระองค์เอง<ม>จึงเรียกพระองค์เองว่าพระพุทธเจ้า<ม>พระพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้ค้นพบธรรมะอันประเสริฐก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขแบบโลกธรรม เป็นความสุขที่ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความสุขที่จะอยู่ไปตลอดได้มาแล้วจะอยู่ไปตลอดจะไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสูญเสียไม่มีวันเปนลี่ยนแปลงอันนี้แหละคือเรื่องของพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นผู้ที่เบื่อกับการหาความสุข จากโลกธรรมทั้งสี่เพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะทำให้ทุกขเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเกิดการสูญเสียไปและเป็นของที่ไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่เป็นของเราไปได้ตลอดเมื่อทรงเห็น ความจริงของโลกธรรมทั้งสี่พระองค์ก็เลยท่งเปลี่ยนวิธีหาความสุขไปเป็นนักบวชแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าหาความสุขที่นักบวชเขาพบกันก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเวลาทำใจให้สงบได้นี่ก็จะปรากฏความสุขขึ้นมา ได้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของโลกกระททั้งสี่คือลาบยศสารเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆอันนี้เป็นความสุขของนักบวชพวกที่สละความสุขทางโลกกระทำโดยสละความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไป บวชไปแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดและด้วยการเจริญสติอย่างสม่ำเ ส, สมอเพื่อที่จะทำให้ใจนิ่งสงบในขณะนั่งสมาธิถ้าใจมีสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนที่สามารถคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิด ึงเรื่องราวต่างๆได้ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธแล้วอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกเวลาสามารถมีสติทาใจให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวได้เดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นสักแต่ว่ารู้แล้วก็สงบนิ่ง ในความสงบนิ่งนั้นก็จะเกิดความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขทั้งปวงก็คือความสุขของโลกกระทำทั้งสี่จากลาบยศสารเสริญสุขความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบเช่นได้เงินได้ทองมากี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็ตาม ความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ปราศจากความวิตกกังวลความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้มันมีความวิตกกังวลมีความห่วงใยตามมาหรือแม้จะสุขจะดีใจแต่อีกใจหนึ่งก็ต้อง วิตกกังวลว่าจะดูแลรักษาเงินทองก้อนนี้ได้อย่างไร mm hmm. จะทำาไงไม่ให้มันสูญเสียไม่ให้มันจากเราไป mm hmm. นี่คือความสุขที่มันต่างกัน mm hmm. ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ปราศจากความวิตกกังวลเ mm hmm. พราะรู้ว่ามันไม่มีวันที่จะจากเราไปแล้วถ้าเราสามารถ ทำมันให้ปรากฏขึ้นมาได้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเรามีปัญญามีสติมีปัญญาที่จะคอยรักษามันมันก็จะอยู่กับเราและเป็นสิ่งที่มันจะไม่สูญหายไปไม่มีใครจะมาหลอกเราเอาความสุขที่ได้จากการฝึกทำใจให้สงบนี้ไปจากเราได้ ไม่เหมือนเงินทองเงินทองที่เรามีอยู่นี้โอกาสที่จะมีเขามีคนมาหลอกเอาไปนี่มีอยู่หรือแม้แต่จะเอาเงินทองไปฝากไว้ที่ไหนก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าเงินทองที่ไปฝากไว้น้่นมันจะมั่นคงเสมอไปมันดีเืินดีสถาบันเงินที่เราเอาเงินไปฝากอาจจะล่มล่มสลายก็ได้เงินทองที่ไปฝากไว้ก็หมด ไปก็ได้แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกับความสุขที่เกิดจากความสงบมันไม่มีใครมาเอาจากใจของเราไปได้กานที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะมาเอามาแย่งชิงจากเราไปได้ถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นเงินทองก็มีโอกาสที่จะถูกเขาแย่งชิงไปได้ ถ้าเป็นบุคคลที่เราลักเราชอบก็มีโอกาสที่จะถูกเขาแย่งชิงไปได้แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถแย่งชิงจากใจของเราไปได้นี่แหละคือการตัดสุลุของพระพุทธเจ้าท่งค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ จะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เป็นความสุขคามที่ให้ความสุขเราชั่วไปเดียวประดาวแล้วไม่นานหลังจากนั้นความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วความทุกข์ใจก็ตามเข้ามาแทนที่นี่แหละคือความหมายของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกฉชาดอย่างไร ท่านเก่กนกาตรงที่ท่านหาสามารถพบความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ mm hmm. ถึงแมบ้บรรดานักบวชต่างๆที่พระองค์ได้ทรงไปศึกษาหาความสุขที่เกิดจากความสงบ พ, mm hmm. พวกนักบวชเหล่านี้เขาก็รู้ความสุขในระดับแบบชั่ว mm hmm. คราวเจอความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้เป็นความสุขที่ชั่วคราว ยังไม่ถาวรเพราะว่าเวลานั่งสมาธิความสุขก็จะเกิดขึ้นมาแต่พอออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วก็อาจจะมีความทุกข์เข้ามาได้ถ้าเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้านี้สามารถต่อยอด ความสุขของสมาธิให้กลายเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ไม่มีวันหมดหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วยังสามารถรักษาความสุขที่ได้จากสมาธินี้ต่อไปได้โดยใช้ปัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนักบวชทั้งหลายที่พูะเจ้าไปศึกษานั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ท่านสามารถสอนวิธีทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้สติกํากับควบคุมใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้เคิดตุงแต่งแตท่านไม่สามารถที่จะควบคุมรักษาความสงบนี้ได้หลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเพราะว่าท่านไม่รู้วิธีที่จะรักษา ความสงบนี้ให้อยู่ต่อไปได้อย่างไรเพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่มาทําลายความสงบของสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาทําไมไม่นิ่งสงบต่อไปทําไมเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าท่านไม่รู้ว่ามีตัวก่อกวนมีตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ ตัวที่ก่อกวนเพื่สร้างความทุกข์หกับใจนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบด้วยพระองค์เองพอใจของพวกเรานี้ทุกกันก็ทุกเพราะอํานาจของกิเลสตัณหานั่นเองความโลภความอยากต่างๆความโลภในความโลภความอยากในโลกกระทำทั้งหลายนี่เองออกจากสมาธิแล้ว ความโน้ความอยากที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้มันก็จะเริ่มออกทำงานทันทีแล้วมันก็จะเริ่มอยากอยากในลาบยศบ้างไปสรรเสริญบ้างในในรูปเสียงกิ่นสดโพพ้าชนิดต่างๆบ้า ง, อยาก ก, งอยากกับสิ่งนั้นอยากกับสิ่งนี้แม้แต่สังขารร่างกายนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมา เราอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์โดยโดยที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันก็เป็นสิ่งที่ขัดที่ขืนธรรมชาติของร่างกายเพราะร่างกายก็อยู่ภายใต้กฎของตายรักเหมือนกันใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ใจที่อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยต้องทุกข์เวลาที่ร่างกายเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าทำไมใจถึงต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกายทุกข์กับความเสื่อมของโลกธรรมทุกข์กับความเสื่อมของลาบยศสารเสิญสุขไม่มีใครรู้สาเหตุ ไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุก็เกิดจากกิเลสตัณหาเนี่ยความโลภความอยากให้โลกธรรมคือราบยสะะศสรเสริญสุขและสังขารร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายขึ้นมาก็เลยทําให้ใจทุกข์บางทียังไม่ทันแก่เลยเพียงแต่คิดถึงมันฉะนั้นมันก็ทําให้ใจทุกข์ได้เพียงแต่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ทั้งที่ร่างกายตอนนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพียงแต่คิดเท่านั้นใจก็ทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีเพราะใจมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ในใจนั่นเองพอคิดถึงเรื่องเงินทองก็ทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีมิตกกังวลกับเรื่องเงินทองได้ทั้งๆที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นมาเพราะมีความอยากมีความโลภความอยากในข้าวของเงินทองต่างๆ อันนี้แหละคือตัวที่มาสร้างความทุกข์ตัวที่มาทำลายความสงบของสมาธิเวลาเอาจากสมาธิมาไอตัวที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้มันก็จะ อ, ออกมาเคลื่อนไหวทันทีสมาธินี่ท่านเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับหินทับหญ้าหินทับกิเลสเวลาเข้าสมาธิเหมือนเราหินไปทับกิเลสไว้ พอมีหินทัพ ก, กิเลสกิเลสก็ไม่สามารถที่จะออกมาโลภออกมาอยากได้เพราะเวลาที่จิตสงบนี้จะปราศจากความโลภปราศจากความอยากต่างๆแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเาสัมผัสรับรู้กับร่างกายเรสัมผัสรับรู้กับโลกธรรมทั้งสี่ ความอยากความโลภที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้มันก็จะเด้งขึ้นมา ท, าทันทีพอมันเกิดความโลภความอยากขึ้นมาปั๊บความสงบที่มีอยู่ในใจที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปกลายเป็นความกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นม า, ท, าทันทีกลายเป็นความหงุดหงิดความไม่สบายใจต่างๆขึ้นม า, ท, าทันทีกลายเป็นความพุ่งสร้างขึ้น นี่แหละคืออำนาจของตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจก็คือความโลภความอยากต่างๆกิเลสตัณหาด้วยการสนับสนุนของโมหะอาวิชชามโมหะอาวิชชาก็คือไม่รู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากกิเลสตัณหานี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาอยากได้นั้นมันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขเป็นไตรลักษณ์ อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นคนค้นพบด้วยพระองค์เองพวกนักบวชทั้งหลายสมัยที่พระเจ้าได้สรงศึกษาปฏิบัติด้วยเขาสามารถทำใจให้สงบสามารถผลิตความสุขแบบชั่วคราวได้ความสุขที่แท้จริงแบบชั่วคราวได้คือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบด้วยการใช้สติคอยกด ความคิดปรุงแต่งคอยระ ง, งับความคิดปรุงแต่งให้จิตหยุดคิดปรุงแต่งพอหยุดคิดปรุงแต่งแล้วความสงบนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาก็ก็จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงก็หมายถึงความสงบนี้แหละเป็นลถแห่งธรรมที่ชนะลถ รสของโลกกระทมก็คือราบยศสรรเสริญสุดนี่องแต่รถแห่งธรรมในยุคที่พู้เจ้ายังไม่ได้ตัดสูนี้เป็นยศรสแห่งธรรมแบบชั่วคราวในขณะที่จิตนิ่งสงบอยู่ในสมาธิแต่พอจิตออกจากสมาธิมาปับ๊บจิตก็ปล่อยให้ความโลภความอยากต่างๆกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา ออกมาทำงานทันทีพอออกมาทำงานมันก็เลยมาสร้างความทุกข์ต่างๆมันก็ทำลายความสุขของความสงบไปจนหมดสิน้นถ้าอยากจะให้มันสงบใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก็ต้องเจริญสติพุทธโธบริกรรมพุทธโธใหม่หรือนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกจนกว่า ใจจะสงบนิ่งหยุดคิดปรุงแต่งใจก็จะได้ความสงบกลับพืนกลับมาใหม่สมัยนั้นเขาก็ทำได้แบบนี้ทำเป็นแบบเป็นพักๆไปเข้าสมาธิมีความสุขพออจากสมาธิมาสักพักพอเผลอสติปล่อยให้กิเลสตัณหาความโลภความอยากออกมาเพ่นพ่านความสงบก็หายไป ความวุ่นวายใจก็เกิดขึ้นมาใหม่หอพอรู้ว่าใจเริ่มฟุง้งเริ่มวุ่นวายมากก็ต้องอาศัยการกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ในยุคสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสโรนีทำได้เป็นแบบเป็นพักๆไปเป็นรอบๆไปพอใจวุ่นวายก็เข้าไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบหายวุ่นวายหเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ นอกห้องที่ปรับอากาศกับเวลาที่อยู่ในห้องปรับอากาศเวลาเราเข้าไปในห้องปรับอากาศนี้จะรู้สึกเย็นสบายพอเราออกมาจากห้องปรับอากาศเดี๋ยวก็รู้สึกร้อนขึ้นมาถ้าอยากจะให้เย็นก็ต้องกลับเข้าไปในห้องปรับอากาศสมาธินี้ก็เป็นเหมือนห้องปรับอากาศของใจเวลาที่ใจร้อนคนที่ทำ คนที่ฝึกสมาธิได้คนที่สามารถเข้าสมาธิได้เวลาใจร้อนรุนด้วยความโลภความอยากต่างๆด้วยความวิตกความกังวลห่วงให่ไม่ว่าจะร้อนแบบไหนร้อนด้วยอะไรทุกข์กับอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปทำใจให้สงบทำใจให้เย็นทำใจให้หายทุกข์ได้แต่เป็นการหายแบบชั่วคราวเพราะจากสมาธิมา เดี๋ยวความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาได้ความร้อนใจความวุ่นวายใจก็ปรากฏขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่นักบวชสมัยที่พุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตัดสรตสามารถทํากันได้เพราะพุทธเจ้าก็ทําได้เพียงระดับเดียวกันแต่ทรงมีความปรารถนามีความสนใจอยากให้ความสงบของสมาธินี้สงบต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมา ไปศึกษาไปถามใครก็ไม่มีใครรู้วิธีว่าทำยังไงเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิจะทำให้ใจสงบเหมือนอยู่ในสมาธิก็เลยต้องไปคน้นคว้าไปศึกษาหาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ส่งค้นพบความจริงนี่เองว่าเหตุที่ใจไม่สงบหลังจากออกจากสมาธิมาก็เพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนีเอง ความโลภความอยากในโล ก, กธรรมทั้งสี่ความโลภความอยากในร่างกาย<ม>ในขันห้านะทั้งในร่างกายและความรู้สึก<ม>ที่เกิดขึ้นจากทางร่างกาย<ม>เช่นเวทนาทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนา<ม>ยังมีความอยากให้ร่างกายนี้ ไม่แก่มีแต่สุขเขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความตายแต่ความเป็นจริงของร่างกายและความเป็นจริงของโลกกะระทมทั้งสี่นี้มันเป็นของที่จะต้องเสื่อมเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่มีปรากฏขึ้นมานี้ วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมันจะต้องมีวันหมดถ้าไปอยากให้มันไม่หมดถ้าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาที่มันหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์กันทำให้ใจทุกข์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าเวลาเวลาความสงบที่ได้จากสมาธินี้หมดไปก็เพราะความอยากต่างๆนี่เอง แล้วความอยากนี้ก็เกิดจากความหลงนี่ไม่ที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นะมันเป็นกองทุกข์มันเป็นตลยักมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่เราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เป็นของที่เราสั่งให้มันให้ให้แต่ความสุขความสงบกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันเป็นของที่จะต้องมีวันเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไป ใจที่มีความอยากให้มันไม่เปลี่ยนก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าความไม่สงบของใจหลังจากที่ออกจากสมาธิานี้เกิดจากความโลภความอยากต่างๆอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นเป็นอย่างนี้อยากให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามความอยากของเรา พอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราใจของเราก็วุ่นวายขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะให้ใจเราสงบต่อไปเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิเราก็ต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆเวลามันโผล่ขึ้นมาเวลามันอยากได้ลาบยะะศทรสิญสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ต้องหยุดมันวิธีที่จะหยุดมันก็ต้องเห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นความทุกข์ที่คู่พอด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆผิวบางๆเหมือนยาขมเคลือบน้าตาลถ้าเราไปอยากได้ลาบเดี๋ยวเราก็จะต้องทุกข์กับลาบถ้าเราอยากจะได้ยศเราเดี๋ยวเราก็จะต้องทุกข์กับยศถ้าเราอยากได้สรนเสริญเดี๋ยวเราก็จะต้องทุกข์กับสันเสริญ ถ้าเราอยากได้รูปเสียงกลิ่นรดเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรดเพราะว่าเวลาเราอยากได้แล้วเราอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่โดยธรรมชาติของมันมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมไปบังคับไปสั่งมันให้เป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้พอมันไม่เป็นไปตามความอยากความทุกข์ความวุ่นวายใจก็เกิดขึ้นมา พอเราเห็นว่ามันเป็นตัวที่พาให้เราต้องไปทุกข์ความอยากและสิ่งที่เราอยากนี้มันเป็นตัวที่ทําให้ใจเราไม่สงบทําให้ใจเราไม่มีความสุขทําให้ใจเราวุ่นวายเราก็หยุดได้ทันทีถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่ต่างๆที่เราอยากนี้มันเป็นไตรลักและความสงบหรือความและความสงบที่หายไปนี้ก็เกิดจากความโลภความอยากของเรา ถ้าไม่อยากให้ความสงบที่ได้จากสมาธิหายไปเราก็ต้องหยุดความอยากทุกรูปแบบให้ได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาปับ๊บก็ต้องเห็นตายรักทันทีเห็นตายรักในสิ่งที่เราอยากอยากจะดื่มกาแฟก็เห็นตายรักว่า ม, มันเห็นว่ามันเป็นตายรักเห็นกาแฟนี้เป็นตายรักเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเวลาอยาก<ม>เวลาได้ดื่มก็สุข เวลาไหนที่ไม่ได้ดื่มเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมันก็จะเจอความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้มาแล้วบางก็เก็บไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องถูนเสียไปให้มองอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญร่างกายของเราของใครก็ตามเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ร่างกายเกิดแก่เจ็บตายร่างกายไม่สวยไม่งามตามที่เราหลงคิดกัน<ม>เพราะภายใต้ผิวหนังของร่างกายนี้มีของที่ไม่น่าดูน่าชมเยอะแยะไปหมดมไม่เชื่อลองไปดูเวลาที่เขาผ่าศพดู<ม>เวลาเขาชันสูตรศพเปิดผ่าร่างออกมาดูแก่ร่าง<ม>เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในของร่างกาย เห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจเห็นลำไส้การที่ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นของสวยงามมันก็จะหายไปหมดนี่คือการใช้ปัญญาความรู้ความจริงความรู้ในความเป็นจริงปัญญานี้ไม่ได้สอนอในเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่มีอยู่สอนในเรื่องที่มันมีอยู่ือเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นความจริง เรื่องของอนัตตาเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้ให้เรารู้ความจ ร, งรจิงอันนี้รู้อนิจจังรู้อนัตตารู้ว่ามันทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นนิจจั ง, งเป็นอนัตตา <companies. S 1> ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากท่า น, น, นั้นเองหยุดความอยาก หยุดความอยากในลาบยศสารเสริญสุขหยิดความอยากในร่างกายในความรู้สึกของร่างกายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายก็ต้องยอมรับมันปล่อยมันไปท่านั้นเองพอเรายอมรับความจริงได้ใจที่เกิดความอยากก็จะหายไปพอรู้ความจริงแล้วทําตามความจริงได้ ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่เกิดขึ้นมาความอยากได้ในราบยศสรรเสริญสุขก็จะไม่เกิดขึ้นมาหรือถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บพอเราพิจารณาว่ามันเป็นตายลักปั๊บพอเกิดความอยากในโลกธรรมสี่เกิดความอยากในร่างกายก็ใช้ปัญญาคือใช้ตายลักษบอกว่ามันเป็นมันเป็นตายลักนะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราว เลียวมันก็จะต้องมีวันหมดไปเวลามันหมดเราก็จะทุกข์กับมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็อยากไปอยากมันปล่อยมันอยู่ของมันไปโลกธรรมนี้มันมีอยู่ในโลกนี้มาตลอดราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมีอยู่ของมันมาถ้าใครไม่ไปยุ่งกับมันก็ไม่ก็จะไม่เจอกับความทุกข์แต่ถ้าใครไปยุ่งกับมันด้วยความหลง ด้วยความคิดว่ามันจะเป็นของถาวรเป็นของที่จะให้ความสุขไปตลอดก็จะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอนเวลาที่ไม่สามารถที่จะมีมันได้หรือสูญเสียมันไปนี่คือการตัดจะรู้ของพระพุทธเจ้ารู้เหตุว่าตัวที่มาทําลายความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา ความโลภความอยากความหลงต่างๆนี่และตัวที่จะทําให้ใจหายหลงได้หายโลภหายอยากได้ก็คือการเห็นไตรลักษณ์<ม>การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกโลกธรรม ท, ทั้งสี่หรือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์หรือของสัตว์ในละชานอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เท่งนั้นเป็นของไม่เที่ยว นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบด้วยพระองค์เองยังเรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันหตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตแปลว่าผู้ที่พ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์เพราะว่าละกิเลสได้ละกิเลสตัณหาละความโลภความอยากต่างๆได้เป็นผู้รู้ เป็นผู้ค้นพบความรู้คือไตรลักษณ์และอริยสัจสีได้ด้วยพระองค์เองจ mm hmm. ึงเรียกว่าเป็นพาาระอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เป็นผู้ที่สามารถที่จะรักษาใจให้สงบไปตลอด mm hmm. เวลาที่ออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆด้วยการเห็นไตรลักษณ์ จนในที่สุดความอยากต่างๆที่เคยปรากฏในใจก็จะหายไปหมดเพราะว่าถูกกานาจของปัญญาคือการเห็นใจรักนี้ทําลายมันไปหมดพอรู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นะั้นมันเป็นการเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ยังทําให้ผู้ที่อยากได้ ของนั้นต้องทุกข์ใจในต่อมาถ้าเห็นนิจังมันก็จะเห็นทุกขังเห็นอนัตตาตามมาพอเห็นทั้งสามส่วนนี้แล้วความอยากที่เคยอยากมันก็จะโหดหายไปหมดเพราะว่าความอยากมันเกิดจากความหลงที่ไปเห็นว่ามันจะได้จะจะให้จะให้ความสุขที่ไปหลงไปคิดว่ามันเป็นนิ จ, จังสุขขังอนัตตา แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นนิจจังสุกขงังอนัตตามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอันนี้แหละคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบได้ด้วยตัวเองคือความจริงที่ส่งคนพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นตายรักราะความไม่สงบ ความวุ่นวายใจหรือความทุกข์ใจนี้ก็เกิดจากความความโลภความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเอง <c oughs> ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะวุ่นวายอยากจะให้ใจสงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็ต้องกําจัดความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ใจรักณนี้มากําจัดมันใช้ใจรักษกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นใจรักษทั้งหมด อนันทิจังทุกขังอนัตตาพอเห็นตายรักทุกขณะทุกเวลาทุกในทุกสิ่งทุกอย่างความอยากที่โผกขึ้นมาปั๊บก็จะหายไปทันทีจนในที่สุดความอยากก็หายไปหมดไม่โผกขึ้นมาอีกต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใจก็จะ อยู่อย่างสงบอยู่อย่างอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสุขไปตลอดอความสงบสุขของใจที่เป็นความสงบสุขที่ถาวรนี้เราเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานก็คือใจที่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่ถาวรไม่ใช่สมาธิ สมาธินี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวความสงบแบบชั่วคราวแต่นิพานนี้เป็นความสงบอย่างถาวรเหตุฉนัฉ้นถ้าติจะพูดว่านิพานนี้คือสมาธิแบบหนึ่งก็ได้มสมาธิแบบถาวรเราก็เปลี่ยนชื่อจากสมาธิมาเป็นนิพานเท่านั้นเองแต่ก็เป็นจิตดวงเดียวกันนี่แหละจิตใจของผู้ปฏิบัติดวงเดียวกัน ถ้าเข้าถึงสมาธิเราก็เรียกว่าสมาธิเป็นความสุขแบบชั่วคราวเราก็เรียกว่าสมาธิถ้าเราเข้าถึงความสุขแบบถาวรเราก็เรียกว่านิพพานนั่นเองขอให้เราเข้าใจนิพพานนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่มันเป็นภาวะของใจของพวกเราทุกคนที่เราสามารถควบคุมบังคับให้มันสงบได้ให้มันเป็นนิพพานขึ้นมาได้ ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและในคำสั่งคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเพราะว่าเราโดยลาพังเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำใจของเราให้สงบเราก็ต้องพึ่งคนที่เขามีความรู้ความสามารถ ก็มีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าของพวกเราตอนนี้ท่านก็จากพวกเราไปแล้วแต่พระองค์ก็ส่งทิ้งผู้แทนของพระองค์ไว้ก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราก็สามารถอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นผู้สอนเราหรือเราจะไปหาพระอริยสงสาวก เป็นผู้สอนเราก็ได้เหมือนกันเพราะท่านสอนวิธีเดียวกันสอนวิธีทำใจให้สงบอย่างถาวรสอนวิธีทำใจให้สุขไปอย่างถาวรด้วยการปฏิบัติทำสามขั้นก็คือขั้นแรกก็คือศีลขั้นที่สองก็คือสมาธิขั้นที่สามก็คือปัญญาขั้นแรกขั้นต้ขั้นแรกนี้ต้องรักษาศีลให้ได้ และต้องเป็นศีลของนักบวชขึ้นไปคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปถึงจะสามารถไปฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้สงบได้แบบชั่วคราวก่อนพอได้ความสง บ, บแบบชั่วคราวแล้วก็ไปศึกษาทางปัญญาไปศึกษาไตรลักษณ์ไปดูว่ามีอะไร ท, ที่เป็นของที่ไม่เที่ยงบ้างก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่ไม่มีข้อ ย, ยกเว้นทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นมีเกิดมีดับเสียงเมื่อกี้นี่มันเกิดปั๊บแล้วมันก็ดับไปมันมาแล้วมันก็หายไปลมพัดมาปั๊บแล้วเดียวมันก็หายไปของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของแป๊บเดียวชั่วคราวไม่มีอะไรจีรังถาวรเพียงแต่ว่ามันจะดับช้าดับเร็วเทานัของบางอย่างก็ดับช้าหน่อยของบางอย่างก็ดับเร็วหน่อยเช่นร่างกายของคนนี้บางทีก็ดับช้าหน่อย กว่จะดับก็อายุแป90ปีไปแต่ร่างกายของบางคนก็ดับเร็วบางทีเกิดมาจากออกมาจากท้องแม่วันเดียวก็ดับก็มีแต่มันต้องมีการดับทั้งนั้นคําว่านิจังก็คือต้องมีการดับสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันไม่ดับไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติ ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีการดับไปนี่คือการการศึกษาขั้นปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิก่อนเราต้องได้ความสงบแบบชั่วคราวก่อนพอเราได้ความสงบแบบชั่วคราวแล้วเราก็มาใช้ปัญญามากําจัดตัวที่มาทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิ ค, คือกิเลสตัณหาโมหะวิชัยด้วยการใช้ปัญญา สอนใจเราให้มองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหามีความโลภความอยากได้นี้ให้เห็นว่ามันเป็นตายรักไปให้หมดอมพอเห็นว่ามันเป็นตายรักมันก็จะหยุดความอยากทาลายกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาถูกทาลายหมดสิ้นไปจากใจความสงบของสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบของนิพพานไปเท่านั้นเอง เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนจากความสงบจากสมาธิไปเป็นความสงบของพระนิพพานเริ่มต้นก็จิตใจที่ที่วุ่นวายไปกับความกับโลกกระทำคือลาบยศสารเสริญสุขพอเห็นว่าโลกกระรทมนี้เป็นปัญหาก็เลยเปลี่ยนวิธีหาความสุขไปไปเป็นนักบวชกันไปบวชไปถือศีลบวชกันแล้วก็ไปฝึกสมาธิ เพื่อทําใจให้สงบใจพอสงบก็จะได้ความสุขแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วต่อมาพัฒนาต่อไปด้วยการเจริญปัญญาให้เห็นไตร ล, ลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามารถเปลี่ยนความสงบของสมาธิให้กลายเป็นความสงบของพระนิพพานขึ้นมา <Yeah. S 1> พอได้ความสงบของพระนิพพานแล้ว <Yeah. S 1> ก็ไม่มีอะไรจะต้องทําอีกต่อไป ความทุกข์ในใจที่เคยมีอยู่มันก็หายไปหมดไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้อีกต่อไปใจก็สงบอยู่ตลอดเวลาไม่วุ่นวายไปกับอะไรอีกต่อไปอันนี้แหละคือเป้าหมายของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาศึกษามาง่ิ่มเรียนกันให้เรามาศึกษาวิธีการทำใจของเราให้สงบให้เราเข้าถึงความสงบ ขั้นต้นก็ความสงบของสมาธิพอเราได้ความสงบของสมาธิแล้วเราก็มาศึกษาทางด้านปัญญาให้เห็นตายลักพอเราเห็นตายลักษ์เราก็จะกําจัดตัวที่มาทำลายความสงบของสมาธิคือความโลภความอยากความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจพอความโลภความอยากถูกปัญญาที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายักทาลายไปหมด ความสงบของสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบของพวานิพพานไปเป็นนิบบานังปรมังสุ ข, ขังแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาหาความสุขจากโลกกรรม ท, ทั้งสี่ต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าโลกกรรม ท, ทั้งสี่และการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไป นี่แหละคือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาต้องการให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขในโลกกรรททั้งหลายให้เปลี่ยนมาหาความสุขจากความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติสินสมาธิปัญญานี้นั่นเองนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนระโสยธามณิโชติอาระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรลายโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนัสีลิสะนิจจังวุทาปะจายโน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 หรือถ้ามีมือถือก็ส่งมาทางเพจทางยูทู e ได้แล้วทีมงานจะเอามาอ่านมาถามให้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ รีนะอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมนหน้ากุฏจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ475ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์291 YouTube ดร v 59วิทยุออนไลน์8คลับ h ฮ u s e 10หน้ากุฏ130รวมทั้งหมด973ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็แชร์นอ่านได้คนะํคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์อยากทราบว่าทําไมคนทําบุญมากยิ่งประสบความทุกข์มากทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งโดนหลอกเงินจนหมดตัวไม่ทราบเพราะกรรมอันใดคะมันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะเพราะนอกจากทําบุญแล้วเราก็คงจะเคยทําบาปมาด้วยเราไม่ได้ทําบุญอย่างเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ทําในภพนิชาตินี้จบาปแต่อาจจะทําในชาติก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็มี มีผลที่จะเกิดขึ้นมาในชาตินี้ได้นอกจากนั้นเราก็ยังมีเหตุปัจจัยอย่างอื่น <c oughs> คือเรื่องของความไม่แน่น อ, นอนอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเพราะฉะนั้นก็อย่าไป <c oughs> <c oughs> กังวลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโลกนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ สิ่งที่เราต้องการก็คือความนิ่งของใจความสงบของใจที่เกิดจากการทำบุญต่างๆทำบุญทำทานรักษาศีลภาวน า, าแล้วใจเราจะนิ่งใจเราจะเย็นถึงแม้ว่าโลกมันจะร้อนถึงแม้เหตุการณ์ต่างๆมันจะสร้างความวุ่นวายให้กับเราแต่ใจเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีบุญเราทำบุญไปเราทำบุญเพื่อใจของเราไม่ได้ทำบุญเพื่อราบยศสรรเสริญสุข คำถามจากผู้รับฟังหน้ากูดค่ะเวลาเริ่มเวลาเริ่มนั่งสมาธิมักจะเห็นแสงหรือดวงสีต่างๆเปเกิดวนเป็นดวงเข้าดวงออกเคยตามดูจนจิตนิ่งเห็นเป็นไตร ล, ลักษณ์ว่าสิ่งใดเห็นมีเกิดขึ้นระดับไปของมันเองจิตวางอยู่ในความสงบแบบนี้ถือว่าผิดไหมเจ้าคะหรือควรกลับมาดูลมหรือพุทโธเป็นหลักหรือเปล่าเจ้าคะควรจะดูลมดีกว่าหรือพุทโธดีกว่า ของพวนี้ยังเป็นของหลอกนี้ไม่ใช่เป็นของจริงคําถามถัดไปจากผู้รับฟังน้ากูดค่ะถ้ายังไม่มีปัจจัยยังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วจะตอบแล้วจะตอบแทนดูแลพนพ่ อ, ค, พอคุณแม่ญาติญดได้อย่างไรครับอตอบแทนด้วยกําลังกายของเรานี่หละอยู่บ้านก็ดูแลพ่อแม่ได้ ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมากรับใช้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าไม่มีเงินทองก็ไม่ใช้ใช้ทดแทนด้วยวิธีอื่นค่ะคำถามสักทางเฟ e b o o k ค่ะพอมีคู่เห็นความวุ่นวายเยอะเลยค่ะต้องรับผิดชอบครอบครัวแฟนด้วยรู้สึกเหนื่อยอยากอยู่คุณเดียวคิดถูกหรือไม่เจ้าคะจะว่าถูกก็ถูกจะว่าผิดก็ผิดคือ เราไปมีแฟนทำไมลนะ่ะถ้าเราไม่มีแฟนมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายที่เราจะต้องมาทุกข์เหตนพอเราทุกข์เราก็อยากจะหนีอย่างนี้ก็ไม่ถูกเมื่อเราได้สุขจากเขาแล้วเราก็ต้องยอมทุกข์กับเขาด้วย mm hmm. ไม่ใช่จะอาอแต่สุขอย่างเดียวพอทุกข์ก็จะจะวิ่งหนีอย่างนี้คิดผิด mm hmm. ทำไมไม่คิดตอนก่อนที่จะมีแฟนเราไปไปบวช ด, ดีกว่า mm hmm. ไปอยู่หาความสงบดีกว่าไม่ไปหาความวุ่นวาย นี่พอไปได้แฟนมาแล้วนี่ไปไปเจอความทุกข์เข้ามาทีหลังนี้ก็ทีนี้ก็เสียใจเปลี่ยนใจนะนี่แหละถึงบอกไม่ใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากแค่นี้อะไรก็คิดว่าเป็นสุขไปหมดพอไปเจอของจริงเข้าความสุขได้เดี๋ยวๆกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาคิดไม่รอบคอบคิดไม่กว้างคิดมุมเดียวมุมมุมสุขไม่คิดถึงมุมทุกข์ที่จะตามมาด้วยนั้นเมื่อเราติดแล้วเราก็ต้อง ทดใช้กรรมไปก่อนอือย่าไปทอดทิ้งเขาถ้าก็ยังพึ่งพาเราอยู่แต่ถ้าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วสามารถตกลงกันได้ว่าแยากทางกันอยู่ได้โดยที่เขาไม่เดือดร้อน ก, ก็ก็ดีก็ทําไปแต่อย่าทิ้งกันทิ้งให้เขาต้องเสียหายหเดือดร้อนเพราะรความเห็นแก่ตัวของเราค่ะคําถามถัดไปค่ะ ใจเรานี้ต้องมีที่อยู่ใช่ไหมคะส่วนมากเราจะหลงโลกพอเรารู้ตัวเราพอเรารู้ตัวเรามาตั้งศูนย์ใหม่คือระลึกถึงความตายการต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ระลึอกอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะฟังมันก็จะยินเลยเพูดใกล้ๆหนยนะ <S <S ใจเรานี้ต้องมีที่อยู่ใช่ไหมคะส่วนมากจะหลงกับโลกพอเรารู้ตัวมาตั้งศูนย์ใหม่คือระลึกถึงการตายการต้องจากสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ระลึกอยู่ตลอดเวลาทุกถูกต้องไหมคะก็มีที่ยึดเดี่ยวจิตใจได้หลายระดับด้วยกันถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาตายลักไปถ้ายังพิจารณาตายลักไม่ได้ก็ใช้สติพุทโธพุทโธ ให้ใจนิ่งให้ใจสงบไปหรือถ้ายังใช้พุโทโธไม่ได้ก็ใช้ศีลไปก่อนใช้การรักษาศีลอยู่มันมีสามขั้น4ี่ขั้นในกันในการที่เราจะสามารถผูกใจไว้ผูกไว้กับการทําบุญทําทานก็ได้ถ้าเรายังทําอย่างอื่นไม่ได้เราค่อยค่อยปรับขึ้นไปจากง่ายไปหายากทําทานใช้ผูกใจให้เราอยู่กับการทําความดีไว้ แล้วก็ผูกใจให้อยู่กับการไม่ทําบาปแล้วก็ผูกใจไว้กับการเจริญสติควบคุมใจให้นิ่งเป็นสมาธิ mm hmm. ก็มีสิ่สีขั้นตอนด้วยกันที่เราสามารถเป็นที่อยู่ของใจได้ให้ใจอยู่กับทานหรืออยู่กับศีลอยู่กับสมาธิหรืออยู่กับปัญญาต่างกำลัง mm hmm. คำถามสักผู้รับฟังหนะ้ากุดคะ่ะ นั่งสมาธิสม่ำเสมอวันละสิบห้านาทีแต่รู้สึกว่าไม่ก้าวหน้ารบกวนพระอาจารย์ชี้แนะค่ะก็กินข้าวสองสามคำนันมันจะอิ่มไหมนั่งสมาธิสิบห้านาทีก็เหมือนกินข้าวสองสามคำมันต้องนั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปมันถึงจะได้สัมผัสกับผลทำน้อยแต่อยากจะได้มากลงทุนน้อยเอาเงินฝากน้อยแล้วอยากจะได้ดอกเบี้ย มันไม่มีที่ไหนเขาให้เราหรอกดันั้นต้องพยายามทำมากๆแต่เบื้องต้นอาจจะทำได้ทาทำได้น้อยก็ทำไปก่อนแต่เราต้องบอกตัวเราว่าถ้าอยากจะได้ผลมากการกระทำก็ต้องมากเหตุก็ต้องมากทุกอย่างมันเป็นอยู่กับเรื่องเหตุผลเหมือนกินข้าวกินข้าวน้อยมันก็อิ่มน้อยกินข้าวมากมันก็อิ่มมากปฏิบัติน้อยมันก็สงบน้อยปฏิบัติมากมันก็สงบมาก อยู่ที่การปฏิบัติของเราหมดแล้วแหละมีอีกค่ะคำถามจากทาง f a c e b o o k ค่ะทำอย่างไรให้ใจมีสมาธิตลอดเวลาใช้คำบริกรรมพุทโธเอาอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช้คำบริกรรมไปไเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปจะหยุดก็จ่อเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องที่จาเป็น ที่เรื่องงานเรื่องการเรื่องคิดอะไรที่สำคัญแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เพ้อเพ้อฝันเพ้อเจอก็อย่าปล่อยให้มันคิด mm hmm. ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันไปแล้วใจก็จะเย็นใจเห็ น, จ ะ, นจะเบาใจจะสบายขึ้นค่ะคำถามจากทาง facebook ค่ะทำอย่างไรให้จํากัดความอยากได้อยากมีให้ลดลงดีครับต้องพิจารณาทำกันอย่างไรครับเบื้องตอน้นเรา ก, กาหนดกรอบก็ได้เช่น ของใช้ไม่สอยที่เราต้องใช้อยู่เช่นปัจจัยสีแล้วก็กําหนดกรอบได้ว่าเราควรจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็มีเท่าที่จําเป็นเช่นเสื้อผ้าจะมีกี่ชุดกันค จ, จริงมีสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไว้สําหรับเผื่อไว้เวลาถ้าเกิดตักแล้วมันไม่แห้ง อย่างผ้านี้ก็มีผ้าแค่สามผืนนะผ้าไตาจีวอนผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวสามชิ้นนี้ก็พอเพียงต่อเครื่องอเครื่องนุ่งห่มแล้วพร mm hmm. ะเจ้าบอกให้สอนให้ใช้หลักความจําเป็นจําเป็นจะมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นอย่าปล่อยให้มีตามาลมถ้าลมแล้วเดี๋ยวมันเห็นเสื้อชุดนั้นก็สวยชุดนี้ก็สวยอยากจะได้ แล้วในที่สุดก็หาต้องไปหาตู้มาใส่ไม่มีไม่มีที่เก็บแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาเราก็ทิ้งไว้ใส่หนเดียวพอไม่ถูกบุคลิกหน่อยก็ไม่เอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ไม่ใช่เหตุผลเราต้องพยายามใช้เหตุผลเวลาที่เราบริโภคปัจจัยสิคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะ หากยังมีความขี้เหนียวเสียดายเงินทองอยู่จะต้องใช้หลักทำข้อใดมาพิจารณาครับเงินทองก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ในการดํารงชีวิตครับก็เราต้องมีการบริหารเงินทองให้ถูกคือแบ่งไว้3ส่วนส่วนหนึ่งก็เอาไว้สําหรับใช้ที่เราจําเป็นจะต้องใช้แต่ให้ใช้แบบประหยัดประหยัดมัธยัติแบบมักน้อยสันโดษใช้เท่าที่จําเป็น อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้สำหรับเก็บสำรองไว้เผื่อวันข้างหน้ารายได้มันหดหรือรายได้ไม่มีก็จะได้มีเงินสำรองมาใช้ส่วนที่สามก็เอามาทำบุญเพราะบุญนี้ก็เป็นอาหารของใจเป็นสิ่งที่ใจจะมีความสุขด้วยถ้าไม่ทำบุญแล้วถึงแม้ใจจะมีเงินมีทองใจจะไม่มีความสุขก็ทํารู้จักแบ่งปัน ตามเหตุตามผลแล้วเราก็จะชนะความตหนีได้อีกอย่างก็ให้เราคิดว่าเงินทองก็เป็นของชั่วคราวตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราเอามาทำบุญนี้มันก็จะเป็นบุญที่เราติดตัวไปได้เป็นเหมือนเปลี่ยนเงินทองเวลาเราจะไปต่างประเทศนี่เราต้องเปลี่ยนเงินไทยไปเป็นเงินต่างประเทศถ้าไม่มีเงินต่างประเทศถึงเงินบาทไปซื้อของในเมืองนอกเขาก็ไม่เขาก็ไม่รับ งั้นเวลาร่างกายตายไปใจก็ต้องมาอยู่ในโลกทิพย์และเงินทองที่เขาใช้ในโลกทิพย์ก็คือบุญนี่งั้นการทำบุญนี้ไม่ได้เป็นการสูญหายเป็นการเป็นการเปลี่ยนเงินทองไว้เปลี่ยนเงินเงินที่เป็ น, นเงินในโลกนี้เป็นเงินทิพย์ไปเพราะต่อไปร่างกายใจของเราจะต้องอยู่ในโลกทิพย์งนต้องใช้เงินทิพย์นี้เป็นเครื่องอาศัย ให้มองอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้แล้วความตัลีมันก็จะหมดไปได้เพราะการให้มันไม่ได้เป็นการเสียมันเป็นการแลกเปลี่ยน <iten. S 1> เปลี่ยนเงินทองให้มากลายเป็นบุญเป็นเป็นเงินทิปปพย์ไปเพราะเดี๋ยวร่างกายตายไปนี้เราจะต้องไปอยู่ในโลกทิพย์กันถ้าเราไม่มีเงินทิพย์เราก็ต้องมาเป็นขอทานเนี่ยมาขอรับส่วนบุญเนี่ยพวกที่มาขอรับส่วนบุญเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ได้ทําบุญไม่มีเงินทิพย์ติดตัวไป ก็เลยต้องมาขอรับส่วนบุญแต่พวกที่เขามีเงินทิพย์เขาก็ไปอยู่แบบเศรษฐีเศรษฐีในโลกที่เป็นพวกเทวดาพวกเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญคำถามถัดไปค่ะเมื่อร่างกายมีความเจ็บป่วยต้องกินยาตลอดชีวิตมีความทุกข์ใจควรใช้หลักธรรมข้อไหนมายึดนําให้สงบใจได้คะก็ต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิ ให้ได้ก่อนถ้าใจสงบใจมีความสงบมีความสุขแล้วความเจ็บปวดของร่างกายมันจะไม่มากระทบกับใจจะทําให้เราสามารถลดการกินยาทางร่างกายได้ถ้าใจสงบมากเท่าไหร่สงบบ่อยเท่าไหร่ความจําเป็นที่จะต้องใช้ยาทางร่างกายก็จะน้อยลงไปจนต่อไปนี้จะสามารถที่จะไม่ต้องกินยา เพื่อบรรลับความเจ็บปวดของร่างกายได้นะถ้าใจมีความสงบตลอดเวลาใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกาย้วบยามมาฝึกสติมาฝึกนั่งสมาธิกันบ่อยๆนี่คือธรรมโอสถที่จะมารักษาใจของเราให้สงบเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปวุ่นวายไปทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เราจะมีวิธีการพิจารณาการพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักและคนที่เรารักอย่างไรได้บ้างครับเราก็เราก็ต้องจากกันไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปตลอดช้าหรือเร็วเท่านั้นเองก็ไปไปไปงานศพ บ, บ่อยๆเล ย, ย ก, เก็ายากจะพิจารณาการพราัดพลาดจากกันไปดูคนที่ตายแล้วว่าเขาเป็นไงเขาเขาพาัดพลาดจากใครบ้างาาก็จากเพื่อนจากญาติพี่น้องจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรนะ ต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น<ม>ให้ไปดูคนตายแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นคนตายแบบนี้พอเราตายแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ก็ไม่ได้เป็นของเราไกต่อไป<ม>ไปงนบบานศพบ่อยๆค<ม><ม>ำถามจากทางเฟ e b o ๊ k ค่ะกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับ<ม><ม>ตามหลักของอิติ ป, ปัจจยตา อธิบายถึงการมีอดีตชาติใช่ไหมครับและอดีตชาติที่แล้วมีจริงหรือไม่ครับคือชาติชาตินี้มันมันมีตลอดเวลาร่างกายนี้ที่เรามีอยู่นี้เป็นร่างกายชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปชาตินี้ก็หมดไปแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ก็ได้อีกชาติหนึ่ง มันก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ใจยังไม่ได้พบกับความสงบความสุขที่ถาวรคือพระนิพพานใจก็ยังจะต้องหิวโหยกับการไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญก็จะต้อง ม, ม, มีมีร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่ที่จะได้ใช้ร่างกายใหม่ไปหาโลกธรรมหาลาบยศสารเสริญ ส, สุขใหม่ มันก็จะเกิดตายเกิดตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงจนกว่าใจจะเป็นนิพพานขึ้นมาใจจะสงบมีความสุขของพระนิพพานขึ้นมาใจก็จะไม่หิวใจก็ไม่ไม่อยากกับโลกกระทก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายต่อไปก็ไม่ต้องไปเกิดอเด็กต่อไปคำถามจากทาง Facebook ค, ค่ะกรรมอะไรที่เราโดนแกล้งโดนโกงค้าโดนเอาเปรียบ เราทําอะไรกับใครเ้ามันก็กลับมาหาเรา เ, เราแกล้งเขาก็เราตอบไปแล้วก็ต้องถูกเขาแกลง้งเราขมโมยเงินใครต่อไปแล้วก็ต้องถูกเขาขมโมยเงินเราให้คิดแบบนี้ง่ายๆไหมเพ <c oughs> ื่อเราจะได้ไม่กล้าไปทำํำถ้าทําบาปทําฆ่าเขาเดี๋ยวก็กลักลับมาเกิดชาติหน้าก็จะถูกเขาฆ่าให้คิดอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะถูกเ้าฆ่าก็อยา่าไปฆ่าคนหมดแล้วเหรหมดแล้วค <c oughs> ่ะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหม